วัดอันงามที่เราตั้งไว้ในบัดนี้ซึ่งเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แดได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดําริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ สสัมมากรรมมันตะประธรรมชอบหสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหสัมมาวายามะพยายามชอบเจสัมมาสติระลึกชอบแปสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบวัดอันงามที่เราตั้งไว้ในบัดนี้นี่แลเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายคำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ และเพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวอานอนท์เราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าเธอทั้งหลายควรประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่เราตั้งไว้แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นคนสุดท้ายของเราเลยเมื่อยุคของคนใดเป็นไปอยู่แต่ปล่อยให้วัดอันงามเห็นปานนี้ขาดศูญไปคนนั้นชื่อว่าคนสุดท้ายของบุรุษเหล่านั้นเราขอเตือนเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่า เธอทั้งหลายควรประพฤติวัดอันงามตามวิธีที่เราตั้งไว้แล้วเธอทั้งหลายอย่าเป็นคนสุดท้ายของเราเลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมคเทวสูตรที่สามจบ มธุระสูตรว่าด้วยพระเจ้ามัทุระเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจานะอยู่ณป่าคุณทาวันเขตกรุงมัทุราพระเจ้ามัทุระอวันตีบุตรได้ทรงสดับว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าท่านสมณะนามว่ากัจจานะอยู่ณป่าคุณทาวันเขตกรุงมัทุรา ท่านพระมหาการณนั้นมีกิติศัพท์อันงามขอจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคาสละสลวยมีปฏิพานดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นเป็นความดีอย่างแท้จริงลำดับนั้นพระเจ้ามทุระอวันตีบุตรรับสั่งให้จัดยานพาณิช์คัน ง, งามๆหลายคัน ส่งขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จออกจากกรุงมัทุราพร้อมกับยานพาหนะคันง า, งามตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทรงเยี่ยมท่านพระมหากัจานะเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระมหากัจานะถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรได้รับสั่งว่าพระคุณเจ้ากัจจานะพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือวันณัพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลววันณะที่ขาวคือวันณะพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหม์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรม เกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมเรื่องนี้พระคุณเจ้ากัจจานะจะกล่าวอย่างไรท่านพระมหากัจจานะถวายพระพร์ว่ามหาบพิษว่าทะที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือวันณะพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลววันณะที่ขาวคือวันณะพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นดำพราหม์เท่านั้นบริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณเท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมนั่นเป็นเพียงคําโฆษณาในโลกเท่านั้นมหาปิพิตโดยปริยายนี้พระองค์งทรงทราบเถิดว่าว่าถ้าที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวันนัที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลวละถึง เป็นทายาิของพรหมนั่นเป็นเพียงคำโฆษณาในโลกเท่านั้นท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิษพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้กษัตริย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้กษัตริย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพระต่อกษัตริย์พระองค์นั้นใช่ไหม แม่พราหมณ์แม่แพทย์แม่สูตรก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพระต่อกริยัพระองค์นั้นใช่ไหมพระเจ้ามทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากระจานะถ้าแม้กริยัจะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้กระสัเอิญก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลัง คอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกริย์พระองค์นั้นแม้พรามแม้แพทยแม้สูตรก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อกริย์พระองค์นั้นมหาบพิษพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแม้พรามจะพึงทำให้ความต้องการทรัพเข้าเปลือกเงินหรือทองสาเร็จได้ แม้พราหมณ์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นใช่ไหมแม้แพทย์แม้สูตรแม้กษัตริย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นใช่ไหมเพราะคุนเจ้ากัจจานะถ้าแม้พราหมณ์จะพึงทาให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสาเร็จได้ แม้พราหมณ์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นแม้แพทย์แม้สูตรแม้กษัตริย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อพราหมณ์นั้นมหาบาพิตรพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร ถ้าแม้แพทย์จะพึงทำให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสำเร็จได้แม้แพทย์อื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพระต่อแพทย์นั้นใช่ไหมแม้สูตรแม่กษัตริย์แม้พราหมณ์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพระต่อแพทย์นั้นใช่ไหมเพราะคุณเจ้ากัจจานะ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 ถ้าแม้สูตรจะพึงทําให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสําเร็จได้แม้สูตรอื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นใช่ไหมแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์แม้แพทย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นใช่ไหมเพราะคุณเจ้ากัจจานะ ถ้าแม้สูตรจะพึงทําให้ความต้องการทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองสําเร็จได้แม้สูตรอื่นก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังค่อยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นแม้กษัตริย์แม้พราหมณ์แม้แพทย์ก็จะพึงลุกขึ้นก่อนนอนทีหลังคอยรับใช้ปฏิบัติให้ถูกใจพูดไพเราะต่อสูตรนั้นมหาบพิษ พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้วันณะทั้งสีจำพวกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในวันณะสีจำพวกนี้ว่าอย่างไรเพราะคุณเจ้ากัดจานะเมื่อเป็นอย่างนี้วันนาสีจำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวันนาทั้งสี่จำพวกนี้ยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิษ โดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาทะที่พวกพราหม์กล่าววา่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหม์เท่านั้นวันณะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้นท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบพิษพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์ในโลกนี้พึงฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกามพูดเท็จผู้ส่อเสียดผู้คำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้ว่าอย่างไรพระเจ้ามทุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะ อันที่จริงถึงจะเป็นกษัตริย์เมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิหลังจากสวรรคตแล้วพึงไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกโยมมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้อันหนึ่งโยมเองก็ได้ฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้น ดีละดีละมหาบพิษเป็นความดีที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนี้อย่างนั้นและเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์ได้ทรงสดับความข้อนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพรามในโลกนี้ละถึงแพทย์ในโลกนี้สูตรในโลกนี้เมื่อฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดอ่อเสียพูดคาหยา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 โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาปิฏโดยปริยายนี้พระองค์งทรงทราบเถิดว่าว่าท้าที่พวกพราหมณ์กล่าวว่าวันณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลวละถึงเป็นทายาทของพรมนั่นเป็นคําโฆษณาในโลกนี้เท่านั้นท่านพระมหากัจจารณถวายพระพรว่ามหาปิฏพระองค์ทรงเข้าประทัยความข้อนั้นว่ายอย่างไร ปรัตรในโลกนี้พึงเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์เว้นข่าจากการลักทรัพย์เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกรามเว้นข่าจากการพูดเท็จเว้นข่าจากการพูดส่อเสียดเว้นข่าจากการพูดคำหยาบเว้นข่าจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ใช่หรือไม่ หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้ว่าอย่างไรพระเจ้ามธุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะอันที่จริงถึงจะเป็นกษัตริย์เมื่อเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกลามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคาหยาบเว้นขาจากการพูดเพอเจอ้อ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 และเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์ได้ทรงสดับความข้อนี้มาจากพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพรามในโลกนี้แพทย์ในโลกนี้สูตรในโลกนี้เมื่อเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการรักย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกลามเว้นขาจากการพูดเ ท, ท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคาหยาบ เว้นขาจากการพูดเพอเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ใช่หรือไม่หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเรื่องนี้ว่ายอย่างไรใช่พระคุณเจ้ากัจจานะอันที่จริงถึงจะเป็นพรามเป็นแพทย์เป็นสูตรเมื่อเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการรักทรัพย์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 หรือพระองค์ทรงเข้าพระทัยในวันณะสีจำพวกนี้ว่าอย่างไรพระคุณเจ้ากัจจานะเมื่อเป็นอย่างนี้วันณะสีจำพวกนี้ก็เสมอขันหมดแน่นอนในวันณะสีจำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิษโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวาท่าที่พวกพราหมณ์คล่าวว่าวันณนที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันณะอื่นเลวและถึง เป็นทายาทของพรมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้นท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่ามหาบาพิษพระองค์ทรงเข้าพระทยัยความข้อนั้นว่าอย่างไรกษัตริย์ในโลกนี้พึงตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้ถ้าราชบุรุษทั้งหลายจับเขาได้แล้วพึงแสดงว่าขอเดชะ ผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์พระองค์ทรงประสงค์จะลงพระราชอาชียสถานใดแก่โจร น, นั้นขอจงทรงโปรโดให้ลงพระราชอาชียสถานนั้นเถิดพระองค์จะพึงโปรโดให้ทำอย่างไรกับโจร น, นั้นพระเจ้ามาทุรอาอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะโยมก็ต้องให้ประหารให้ผ่าอกให้เนรเทศหรือทำตามสมควรแก่เหตุ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมญานามว่ากษัตริย์ของเขาเมื่อก่อนนั้นหายไปแล้วบัดนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นโจรเท่านั้นมหาบาพิษพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ในโลกนี้แพทย์ในโลกนี้สูตรในโลกนี้พึงตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้ถ้าราชบุรุษทั้งหลายจับเขาได้แล้ว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 วันณาสีจ่จำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวันนาสีจ่จำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิษโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าวา่าทที่พวกพรามกล่าวว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นเลวและถึงเป็นทายาทของพรมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้น ท่านพระมหากัจานะถวายพระพรว่ามหาบพิษพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรกระสัดในโลกนี้พึงปรงพระเกศาและพระม ส, สุนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเสด็จออกจากวังพนหัวเป็นบรรพชิตส่งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการพูดเท็จไม่บริโภคในราตรีฉันพัตฐารมื้อเดียวเป็นพรหมจารี มีศีลมีกัลยาณธรรมพระองค์จะทรงทาอย่างไรกับราชบัญพชิตนั้นพระเจ้ามธุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะโยมต้องกราบไหว้ลุกรับเชื้อเชิญด้วยอาสนะหรือเจาะจงนิมนต์ราชบัรพชิตนั้นด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจัยเพศบริขารจัดการอารักขาคุ้มครอง ป้องกันท่านตามความเหมาะสมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมญานามว่ากษัตริย์ของท่านเมื่อก่อนนั้นหายไปแล้วท่านได้ชื่อว่าสมณะเท่านั้นมหาปพิธพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพราหมณ์ในโลกนี้แพทย์ในโลกนี้สูตรในโลกนี้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการพูดเท็จไม่บริโภคในราตรีฉันพัฒหารมือเดียวเป็นพรหมจารีมีศีลมีกัลยาณธรรมพระองค์จะทรงทำอย่างไรกับบรรพชิตนั้นเพราะคุณเจ้ากัจจานะโยมต้องกราบไหว้ลุกรับเชื้อเชิญด้วยอาสนะหรือเจาะจงนิมนต์ท่านด้วยจีวรบิทบาทเสนาสนะ และคีฬานปัจจัยเพศัตวบริขารจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันท่านตามความเหมาะสมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพระสมญานามว่าสูตรของท่านเมื่อก่อนนั้นหายไปแล้วท่านได้ชื่อว่าสมณะเท่านั้นมหาบพิษพระองค์ทรงเข้าพระทยัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้วันณะสี่จำพวกนี้ย่อมเป็นผู้เสมอกันใช่หรือไม่ หรือพระองค์ทรงเข้าพระไทยในวันณสีจำพวกนี้ว่าอย่างไรเพราะคุณเจ้ากัจจานะเมื่อเป็นอย่างนี้วันณสีจำพวกนี้ก็เสมอกันหมดแน่นอนในวันณสีจำพวกนี้โยมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันเลยมหาบพิษโดยปริยายนี้พระองค์ทรงทราบเถิดว่าว่าทที่พวกพรามกล่าวว่าวันณที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้น วันนะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพรามเท่านั้นวันนะอื่นดำพรามเท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พรามไม่บริสุทธิ์พรามเท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอดของพรมเกิดจากพรมเป็นผู้ที่พรมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรมนั่นเป็นคำโฆษณาในโลกนี้เท่านั้น เจ้ามธุระแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรอย่างนี้แล้วพระเจ้ามธุระอวันตีบุตรได้ตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะภาสิของท่านชัดเจนไพเรายะยิ่งนักพระคุณเจ้ากัจจานะภาสิของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้ากัจจานะประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ํา เปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้โยมขอถึงพระคุณเจ้ากัจจานะพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้ากัจจานะจงจำโยมว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่า มหาบพิษพระองค์อย่าทรงถึงอัตมาภาพเป็นสรณะเลยขอจงทรงถึงพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสรณะของอัตมาภาพเป็นสรณะเถิดพระเจ้ามธุรอาอวันตีบุตรตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากัจจานะบัดนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนท่านพระมหากัจจานะถวายพระพรว่า มหาบพิษบัดนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จปรินิพานเสียแล้วพระเจ้ามธุระอวันตีบุตรตรัสว่าพระคุณเจ้ากัจจานะถ้าพวกโยมได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ไกลถึงสิบโยชตพวกโยมก็ต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แม้สิ้นทางสิบโยต์ถ้าพวกโยมได้ยินว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นประทับอยู่ไกลถึงยี่สิบโยน์สาสิบโยต์สี่สิบโยต์ห้าสิบโยต์พวกโยมก็ต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้สิ้นทางห้าสิบโยน์พราะคุณเจ้ากัจจานะถ้าพวกโยมได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ไกลถึงร้อยโยต์พวกโยมก็ต้องไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถึงแม้ว่าจะไกลสักร้อยโยน์แต่เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จปรินิพานเสร็จแล้วพวกโยมขอถึงพระผู้มีพระภาคแม้เสด็จปรินิพานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระคุณเจ้ากับจานะจงจำโยมว่าเป็นอุบาสกพู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหละมัทุระสูตรที่สี่จบ โธิราชกุมารสูตรว่าด้วยโพธิราชกุมารข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพศกะลาวันสถานที่ให้อภัยหมู่เนื้อเขตกรุงสูงสุมาระคีระแควนพัก ค, คะสมัยนั้นแลปราสาทชื่อโกกนุษของพระราชกุมารพระนามว่าโพธิสร้างเสร็จแล้วใหม่ สมณะพราหมณ์หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งยังไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยต่อมาโพธิราชกุมารรับสั่งเรียกมานบชื่อสัญชิกาบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาบุตรเพื่อนรักแท่นจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาพน้อย กระปรีก้กระเปรามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพ้ที่ราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรีก้กระเปรามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์โปรดรับในมนชันพัฒหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดมานพสัญชิกาบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญโพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระโคโดมผู้เจริญด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทน้อยกะปลี้กะเปล่ามีพระพรนนายสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าขอพระโคโดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ท่งรับนิมนต์ฉันพัตฐารของโพธิราชกุมาร ในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพเวลานั้นมานพสัญชิกาบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าโพธิราชกุมารถึงที่ประทับแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้กราบทูลพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นตามรับสั่งของพระองค์ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ โพธิราชกุมารขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวทูลถามถึงพระสุขภาพ ค, ความมีพระโรคาพาทน้อยกระปรี้กระเปา่ามีพระพระารณมัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลอย่างนี้ว่าขอพระโคโดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับนมิมนต์ชันพัฒหารของโพธิราชกุมารในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดและพระสมณโคดม ทรงรับนิมนต์แล้วพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้าขาวครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปโพธิราชคุมารรับสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตไว้ในพระราชนิเวศของพระองค์ และรับสั่งให้ปูลาโกโกนุษปราศาสด้วยผ้าขาวถึงบันไดขั้นล่างสุดรับสั่งเรียกมานพสัญชิกาบุตรมาตรัสว่ามาเถิดสัญชิกาบุตรเพื่อนรักท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพัตการว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตทหารสำเร็จแล้วมานพสัญชิกาบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลพัตการว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่าพะพัทหารสําเร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของโพธิราชกุมารขณะนั้นโพธิราชกุมารทรงยืนคอยรับเสด็จพระผู้มีพระภาคอยู่ที่นอกซุ้มประตู ได้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงเสด็จออกไปต้อนรับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วเสด็จนำหน้าเข้าไปจนถึงโกกนุษปราศาสตรครั้นถึงบันไดขั้นล่างสุดพระผู้มีพระภาคทรงหยุดโพธิราชคุมารจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคต ทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่มอมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองโพธิราชกุมารก็กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิด ข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่มอมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่าเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สามผูที่ราชกุมารก็กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิดขอพระสุคตทรงเหยียบผ้าขาวเสด็จเข้าไปเถิด ข้อนี้จะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่มอมฉันตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำรงดูท่านพระอานนท์จากนั้นท่านพระอานนได้ทูลต่อโพธิราชกุมารว่าพระราชกุมารจงเก็บผ้าขาวเสถียดพระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบผ้าขาวพระตถาคตทรงเห็นแก่ประชุมชนผู้เกิดในภายหลัง โพธิราชกุมารรับสั่งให้เก็บผ้าขาวแล้วรับสั่งให้ปูอาสนะที่โกกนุษยปราสาทชั้นบนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นโกกนุษยปราสาทแล้วประทับนั่งบนพุทธอ า, าที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โพธิราชกุมารทรงอังฆ่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายของเคี้ยวของฉันอันประณีตจนอิ่มหนำด้วยพระองค์เองทรงทราบว่า พระผู้มีพระภาคสวยเสร็จและพระหัตถ์จากบาทแล้วจึงเลือกประทับนั่งอาสนะที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขด้วยความทุกข์เท่านั้น ประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาลาระดาบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารก่อนการตรัสรู้แม้อัตมาภาพยังเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลจะไม่ประสบความสุขด้วยความสุขแต่บุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์เท่านั้นในการต่อมาอัตมาภาพยังหนุ่มแน่น แข็งแรงมีเกศดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงอยู่จึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็สแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่สแสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่า ได้เข้าไปหาลาระดาบทการามโคดแล้วกล่าวว่าท่านการามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจันทร์ในธรรมวินัยนี้เมื่ออาตมาภาพกล่าวอย่างนี้ลาระดาบทการามโคตจึงกล่าวกับอาตมาภาพว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตน เข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานอาตมภาพก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวยานวาทะและเทระวาทะได้ทั้งอาตมภาพและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นอาตมภาพจึงคิดว่าอล า, าระดาบทกาลามโคตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่า เราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้แต่阿าระดาบทกาลามะโคดยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นอัตมภาพจึงเข้าไปหา阿าระดาบทกาลามะโคดแล้วถามว่าท่านกาลามะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่ออัตมภาพถามอย่างนี้ 阿拉ระดาบทการามโคจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมาบัตแกอตาา่อัตมภาพอัตมภาพจึงคิดว่ามิใช่แต่阿าระดาบทการามโคเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมิใช่แต่阿าระดาบทการามโคเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญา ทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่อารัตดาบทกาลามโคตรประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานอาตมภาพก็ทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นอาตมภาพจึงเข้าไปหาอารัตดาบทกาลามโคตรแล้วถามว่าท่านกาลามะท่านประกาศว่า ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออลาระดาบทการ า, ศ า, ศ า, โร า, ามโคตตอบว่าท่านผู้มีอายุ driveway, เราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอัตมภาพจึงกล่าวว่าท่านกาลามะแม่ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อลาระดาบทกาลมาโคะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาบของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนโพรมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งทาใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทาให้แจ้งทานั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งทำใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่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 阿าระดาบทกาละมะโคดทั้งที่เป็นอาจารย์ของอาตมภาพก็ยกย่องอาตมภาพผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตนและบูชาอาตมภาพด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่อาตมภาพคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพาน เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญาญาตนะสมาบัติเท่านั้นอาตมาภาพไม่พอใจเบื่อหน่ายทำนั้นจึงลาจากไป